จเจริพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผอุบาศกอุบาศิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่สามสิบกรกดาคมพุทธศักราสอันาเป็นวันพระวันธรรมศวนา วันฝังธรรมวันชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมนทินปราศจากอากุศลเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอากุศลนี้เป็นเหตุที่นำมาซึ่งความเสือ่อม ความเสียหายและความทุกข์ความถดถอยส่วนความปราศจากอกุศลคือความสะอาดบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาทางใจนำความสุขความเจริญความก้าวหน้ามาให้แก่ชีวิตจิตใจ พระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้พุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาได้เข้ามาวัดเป็นประจำเพื่อมาชำระ ก, กายวาจาใจให้สะอาดเหมือนกับนำรถยนต์เข้าคาแค่ให้เขาได้ทำความสะอาดเช็ดร้างขัด สีเฉววันให้ดูใหม่ให้ดูสวยชีวิตของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่เวลาใช้งานไปก็จะเริ่มเศร้าหม อ, องเริ่มเปื้อนไปด้วยอกุสงต่างๆดังนั้นอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเราควรนำใจเข้ามาสู่สถานที่ชำระคือวัดวาอาราม ถ้าเราเข้ามาแล้วเราก็จะได้ชำระอกุศลที่มีอยู่สิบประการด้วยกันอกุศลทางกายมีอยู่สอกุศลทางวาจามีอยู่สอกุศลทางใจมีอยู่สรวมกันก็เป็นสิบประการอากุศลทางกายได้แก่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการกระทำทั้งสามประการนี้จะนำความทุกข์และนำความเสื่อมเสียมาให้แก่ผู้กระทำดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการรักษาศีลรมมทานศีล <c oughs> เพื่อจะได้ละอกุศลทางกายทั้งสานี้ การรักษาศีนี้ก็รักษาได้หลายรูปแบบด้วยกันวิธีที่จะรักษาวิธีที่เรารู้จักกันเห็นกันอยู่เป็นประจำก็คือวิธีสมาทานศีนเรามาวัดแล้วเราก็มาสมาทานศีนห้าศีนแกันอย่างนี้เรียกว่าเป็นการสมาทานคือให้พระเป็นสักข์ีพยา ให้พระเป็นผู้สอนว่าสิ่งหรืออกุศลทางกายทางวาจามีอะไรบ้างเมื่อเราทราบแล้วและเราได้สมาทานแล้วเราก็จะนำเอาไปรักษาต่อไปนี่คืออย่างวันนี้ญาติโยมก็ได้มาสมาทานสิน่งห้ากันสมาทานสิน่ง อ ก, กุศลและอ ก, กุศลทางวาททางกายสามประการด้วยกันคือรักเล้ยงจากการฆ่าสัตว์ตรักทรัพย์ประฤติดประเวนี mm hmm. เมื่อเราได้สมาทาแล้วเท่ากับว่าเราได้ให้คำมั่นสัญญาต่อพระสงฆ์และต่ อ, อ, อ ส, สาธารณบุคคลที่อยู่ในศาลานี้แล้วให้เป็นสัตติปยาน ว่าวันนี้จะรักษาสี่งห้านี้จะรักษากี่วันอันนี้ก็สุดแท้แต่ความอธิษฐานของตนความตั้งใจของตนอย่างน้อยก็รักษาหนึ่งวันเวลาที่มาสมาทานสีแดงไม่ใช่รักษาเพียงขณะที่อยู่ในศาลา พอออกจากศาลาไปแล้วก็โยนทิ้งถังขยะไปถ้าอย่างนี้ก็จะได้อ น, นิสงส์น้อยเหมือนกับการซักผ้าเอาใส่เข้าไปในกาละมังใส่น้ขกาไปผ้ายังไม่ทานเปียกดีก็เอาขึ้นมาบิดเอาไปตากแล้วอย่างนี้ผ้าก็จะไม่สะอาดถ้าอยากจะให้ผ้าสะอาดก็ต้องแช่ในน้ำ ใส่ผงซักฟอกเข้าไปแล้วก็มาขย้ำ ม, มามาถูมาทำให้สิ่งที่เป็นคราบสปกปรกได้หลุดออกจากผ้าไปแล้วถึงค่อยเอาไปล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วนำเอาไปตากต่อไปอย่างนี้ผ้าก็จะสะอาดการสมาทานรักษาสินก็เช่นเดียวกัน การรักษาได้นานเท่าไหร่ได้นาเท่าไหร่การกระทําทางกายทางวาจาก็จะสะอาดมากขึ้นไปตามลําดับจนเป็นกายวาจาใจกายวาจาที่สะอาดตลอดเวลานานดังนั้นเราเมื่อได้สมาทานศีลแล้วเราก็ต้องรักษาสัจจาวาจาของเรา ส่วนถ้าวันไหนเรามีภารกิจไม่สามารถมาวัดได้แต่เรายังอยากที่จะรักษาศีลอยู่เราก็รักษาด้วยการวิรัติควาว่าวิรัติก็คืองดเว้นด้วยความตั้งใจเราอยู่กับบ้านแล้วอาจจะมีพระพุทธรูปเราก็กราบพระพุทธรูปแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐาน ว่าวันนี้จะละเว้นจากการกระทำบาปทางกายและทางวาจาอย่างนี้ก็ถือว่าได้ไ ด, ได้ได้สมาทานได้ตั้งใจแล้วรักษาศีลได้แล้วถ้าเรารู้ว่าศีลที่เราจะรักษามีอะไรบ้างถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องเปิดดูหนังสือ หรือไาที่วัดเพื่อมาถามพระสงฆ์องค์เจ้าให้บอกให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้างนี่คือในกรณีที่เราไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้มาวัดเราก็รักษาด้วยการวิรัตคืองดเว้นละเว้นด้วยการตั้งใจและศีลการที่จะมีศีลอีกลักษณะหนึ่งนี้ ก็เป็นสินชนิดที่สามสินชนิดที่สานี้เกิดจากการมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมมีสัมมาทิตฐิเห็นว่าการกระทำบาทนำมาซึ่งความเสื่อมเสียทั้งในปัจจุบันและอนาคตปัจจุบันก็คือชีวิตจะไม่มีความเจริญก้าวหน้าจะไม่มีความสุข จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสียหายตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายถ้ามีดวงตาเห็นธรรมมีสัมมาทิฏฐิเห็นอย่างนี้ก็จะไม่กล้าทำบาปไม่ว่าจะมาวัดหรือไม่มาวัดไม่ว่าจะสมาทานหรือวิรัตหรือไม่ก็ตามคนที่มีปัญญา มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าการกระทำบาปนี้เป็นโทษเป็นภัยกับตนเองก็จะไม่ทําโดยเด็ดขาดเหมือนกับคนที่รู้ว่ายาพิษนี้ถ้าดื่มเข้าไปหรือรับประทานเข้าไปแล้วจะทํอเสียชีวิตก็ไม่มีใครกล้าที่จะไปดื่มไปรับประทานยาพิษฉันใดบาปกรรมนี้ก็เป็นเหมือนยาพิษ ต่อจิตใจถ้าเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยดวงตาเห็นธรรมมีธรร ม, มากจากสุขเช่นพระโสดาบันขึ้นไปท่านจะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดท่านยอมตายดีกว่าไปทำบาปเพราะความตายนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตจะทำบาปหรือไม่ทำบาปก็ตายเหมือนกัน แต่ถ้าทำแบาปแล้วต้องไปใช้กรรมต่อต้องไปเกิดในอบายต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตบนากอันนี้ไม่คุ้มกับการรักษาชีวิตที่อย่างไรก็ต้องตายอยู่ดีเมื่อถึงเวลามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเช่นเวลาโอดอยากขาดแคงไม่มีเงินทองซื้ออาหารก็จะไม่ไปลักขโมย จะหามาด้วยวิธีที่ไม่ต้องทําบาปจะไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยิงนกตกปลาเพื่อเอามาประทังชีพของตนการเลี้ยงชีพของตนด้วยชีวิตของผู้อื่นนี้ไม่คุ้มกันเราต้องสำนึกว่าชีวิตเขากับชีวิตเราก็มีคุณค่าเท่ากันเขาก็รักชีวิตเขาเหมือนกับเรารักชีวิตของเรา ผู้ที่มีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมจะไม่ละเมิดจะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดผู้ที่จะมีดวงตาเห็นได้ก็ต้องเป็นพระอริยาสาวกตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระอริยสงสาวกจึงปิดอบายได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ว่าจะทำบาปมามากน้อยเพียงไรก็ตาม บาปเหล่านั้นจะไม่สามารถที่จะดึงให้ไปชดใช้กรรมในบายได้เพราะมีปัญญามีกำลังที่จะหยุดกำลังของความบาปได้คือไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดนี่เองนี่ก็คือศีลชนิดที่สามเรียกว่าศีลของพระอริยเจา้าศีลของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรม เห็นว่าการทําบาปนี้เป็นการทำร้ายตนเองไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้กับตนเลยนี่คือการซึมการมีศินมีได้ด้วยสามวิธีสมาทานศีลวิลาสินหรือมีดวงตาเห็นธรรมการที่จะมีดวงตาเห็นธรรมได้ก็ต้องปฏิบัติจเจริญสติสมาธิปัญญา หรือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้ามีสมถะมีวิปัสสนาภาวนาแล้วใจก็จะสว่างขึ้นมาสิ่งที่ทําให้จิตใจมืดบ่อยก็จะถูกทําลายไปหมดทําให้เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารโลกเห็นกันคือเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นบุญว่าเป็นเหตุของสวรรค์ เห็นบาว่าเป็นเหตุของนรกนี่คือการชาระอกุศลทางกายชาระได้ด้วยการสมาทานด้วยการวิรัติหรือด้วยการมีดวงตาเห็นธรรมถ้าสมาทานหรือวิรัตนี้ก็ยังไม่แน่นอนบางวันก็ไม่อยากสมาทานก็ไม่สมาทานบางวันไม่อยากวิรัติก็ไม่วิรัติ แต่ถ้าเป็นสิลที่เกิดจากการมีดวงตาเห็นธรรมนี้จะรักษาตลอดเวลาจะไม่มีอารมณ์ว่าอยากจะรักษาหรือไม่รักษาส่วนอาุสนทางวาจาก็มีอยู่4ข้อด้วยกันคือหนึ่งการพูดปดสองการพูดคำหยาบสาม การพูดเพอเจ้สีการพูดสอเสียดคำว่าสอเสียดนี้ไม่ได้หมายถึงการเสียดสีคำมีความหมายไม่เหมือนกันสอเสียดนี้แปลว่าพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีความส่วนความเสียดสีนี้พูดแบบกระแทกกระทงให้คนอื่นเขาเจ็บช้ำน้ำใจ นี่คือการพูดที่ไม่ควรกับพูดมีอยู่สี่ข้อคือไม่ควรพูดปดไม่ควรพูดคาหยาไม่ควรพูดเพ้อเจ้อเพราะไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่ควรพูดส่อเสียการไม่พูดับการไม่พูดปดก็คือการพูดความจริงเพียงอย่างเดียวถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดก็ได้ ไม่มีใครบังคับให้เราต้องพูดปลดเวลาใครเขาถามอะไรแล้วเราพูดความจริงไม่ได้เราก็ไม่ต้องพูดเราเฉยๆไว้หรือพูดเรื่องอื่นไปก็ได้พูดเรื่องเลนฟ้าอากาศหรือพูดอะไรที่ไม่ต้องพูดปลดก็ได้อันนี้ก็ต้องฝึกเอาไม่ต้องไปเกรงใจ กลัวว่าถ้าเราไม่พูดแล้วเขาจะไม่คบกับเราการเสียคนเสียเพื่อนดีกว่าเสียตัวเองเสียศียลธรรมเสียวาจาวาจานี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากถ้าพูดความจริงแล้วก็จะเป็นที่น่าเชื่อถือของบุคคลต่างๆถ้าพูดไม่จริงแล้วก็จะเป็นวาจาที่ไม่มีน้ำหนัก ไม่มีใครจะเชื่อถือดูวาจาของพระพุทธเจ้าทุกคำพูดของพ่อพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงทั้งนั้นพระธรรมคาสอนที่มีอยู่ถึง8ปดห0ื่สี่พันพระธรรมขันธ์ก็เป็นความจริงทั้งนั้นเป็นความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดเป็นความจริงที่เรียกว่าอาการลิโก ไม่มีวันเปลี่ยนไปตามการตามเวลาคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นคำสอนที่มีพระคุณมีประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นอย่างมากเพราะเป็นความจริงผู้ใดได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วนำเอาไปปฏิบัติแล้วจะได้รับประโยชน์โดยถ่ายเดียวอย่างที่เราวันนี้ได้ยินกันเกี่ยวกับเรื่องอกุศลทั้งสิประการนี้ ถ้าเรานำเอาไปปฏิบัติได้เราจะได้รับประโยชน์โดยถ่ายเดียวจะไม่มีโทษตามมาเลยนี่คือา น, นิสงหรือประโยชน์ของการพูดความจริงทำให้พวกเรานี้กราบไหว้พระพุทธเจ้าได้อย่างสนิทใจเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างสนิทใจไม่มีความลังเลสงสัยเลยว่า จะถูกหลอกหรือไม่นี่คือประโยชน์ของการพูดความจริงจะทำให้เราเป็นคนเชื่อถือได้ส่วนคำอยากนี้ถ้าพูดไปแล้วก็จะทำให้เราเป็นคนต่ำต้อยเป็นคนที่ไม่น่าเคารพนับถือเพราะคำอยากนี้เป็นคำของคนที่ไม่มีสติสตัง ที่คอยควบคุมการพูดของตนเวลาเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาก็ปล่อยคาพูดที่ไม่ดีออกมาคำพูดคำหยาบนี้ก็เป็นเหมือนขยะทางวาจานี่เองไม่มีใครอยากจะฟังเพราะว่ามันโสโปรกเหมือนกับไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้กองขยะกองขยะมันโสโปรกและมีกลิ่นเหม็น แต่คำพูดที่สวยงาม น, นี้เป็นคำพูดที่เหมือนกับน้ำหอมเวลาใครได้ยินคำพูดที่สวยงามแล้วจะมีความสุขใจและจะชอบคนที่ได้ยินได้ฟังก็จะชอบคนที่พูดคำที่สุภาพคำคำที่สวยงามเหมือนกับคนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงาม แต่งเนื้อแต่งหน้าทาปากใช้น้ำหอมใครเห็นใครก็จะชื่นชมยินดีการพูดวาจาที่สุภาพก็เป็นอย่างนั้นผู้ที่พูดคําหยาบ ก, ก็เป็นเหมือนพวกที่ใส่เสื้อผ้าขาดลุ่งเร่งพวกคนบ้าหรือพวกคนยากจนคนขอทานพวกนี้เขาจะไม่สนใจกับการพูดของใครเขาจะพูดไปตามอารมณ์ของเขา จึงไม่ได้เป็นคนที่มีคนเขานับหน้าถือตาคบค้าสมาคมด้วยถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีเพื่อนมีคนรักมีคนชอบเราต้องไม่พูดคำหยาบพยายามพูดแต่คำที่สุภาพอ่อนโยนแล้วจะทำให้เราเป็นคนน่ารักเป็นคนน่าเคารพน่าคบค้าสมาคม ส่วนการพูดเพื่อเจอก็เป็นการพูดที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรพูดเรื่องราวที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนฟังหรือกับตนเองเช่นนินทากาเลวิภาควิจารคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเหล่านี้พูดไปไม่เกิดประโยชน์มากควรจะพูดเรื่องที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ เช่นพูดเรื่องธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพูดเรื่องวิชาการต่างๆความรู้ต่างๆความรู้ทางโลกก็มีประโยชน์ต่อการท ร, รมาหากินต่อการอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทางร่างกายความรู้ทางธรรมะก็เป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทางจิตใจต่อการดับความทุกข์ต่างๆ ต่อการจเจริญรุ่งเ ร, องเรืองของจิตใจถ้าจะพูดก็ให้พูดเรื่องที่มีสาระมีประโยชน์แล้วเราก็จะเป็นคนที่มีคุณค่าประโยชน์ทุกวันนี้คนต้องไปเรียนหนังสือจากคนที่มีความรู้ความสามารถต้องเสียเงินเสียทองแต่ได้ยินได้ฟังคําพูดที่มีคุณมีประโยชน์สามารถนําเอาไปใช้ ให้เกิดประโยชน์กับตนได้เช่นเด็กนักเรียนนอกจากเรียนที่โรงเรียนแล้วยังต้องไปเรียนพิเศษอีกเพราะคนที่สอนพิเศษนี้ให้ความรู้กับเขาเพิ่มเติมทาให้เขาเรียนได้คะแนนดีทาให้เขาสอบเข้าโรงเรียนต่างๆที่เขาอยากจะสอบเข้าได้ทาให้เขาสามารถชิงถุนได้นี่คือประโยชน์ของการไม่พูด เจ้อคนที่พูดเพ้อเจ้อนี้ไม่สามารถตักตวงประโยชน์จากเขาได้นอกจากจะตักตวงความเกลียดแท้งเกลียดชังต่อบุคคลนั่นบุคคล น, นี้หรือต่อความหลงไหลข้างใครที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับตนต่อผู้ฟังนี่คือข้อที่สามของการพูดควรจะพูด ว่าจะที่มีความรู้ปีคุณมีประโยชน์อย่าพูดไร้สาระและข้อที่สี่ก็คืออย่าพูดส่อเสียอย่าพูดยุโยงให้เกิดความแตกแยกแตกสามะคีกันให้พูดเพื่อประสานความสามะคีความรักกันเวลามีผู้ใดามาปรับทุกข์เพราะเหตุการณ์กับบุคคลนั่นบุคคล น, นี้ ก็อยากไปยุยมให้เขาเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเพิ่มมากขึ้นควรจะพูดให้เขาลดละความโกรธความเกลียดลงให้เขาให้อภัยให้เขามองคุณมองความดีของบุคคลที่เขากำลังโกรธกาลังเกลียดอยู่เพราะคนเรานี้มีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดี ส่วนใหญ่คนเราจะมีส่วนที่ดีมากกว่าส่วนที่ไม่ดีแต่พอเห็นส่วนที่ไม่ดีขึ้นมาเพียงเล็กน้อยก็ไปลบล้างส่วนที่ดีเขาไปหมดเลยดังนั้นเวลาเราโกรธใครเกลียดใครเราควรที่จะมองส่วนที่ดีของเขาบ้างส่วนที่ไม่ดีเราก็ต้องให้อภัยเพราะคนเรายังมี ความโลภความโกรธความหลงอยู่ยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้เวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็อาจจะไปพูดไปทำอะไรที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นได้การไปโกรธไปเกลียดไม่ได้ไปทำให้เรื่องมันดีขึ้นแต่กลับจะทำให้เรื่องมันร้ายขึ้นมาแรงขึ้นมาแต่ถ้าเราให้อภัยได้แล้ว เรื่องก็จะเบาไปลงไปและหายไปได้แลาเรายังจะสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้แต่ถ้าเวลาเกิดความโกรธความเกลียดแล้วก็ไประบายไปตอบโต้เดี๋ยวก็เกิดการทะเลาะวิวาสกันขึ้นมาเกิดการทำร้ายกันขึ้นมาสัมพันธ์ัันดีก็จะหายหายไป การมีมิตรภาพก็กลายเป็นการมีศัตรูขึ้นมานี่ก็คือเกิดจากการพูดส่อเสียพูดให้เกิดความแตกแยกเราต้องพูดประสานความสามัคคีกันพูดกันเพื่อประสานสัมพันธ์ธรรมตรีที่ดีไว้ให้คงอยู่ต่อไปด้วยการให้อภัยด้วยการมองส่วนที่ดีของผู้อื่น นี่คือการพูดที่เป็นอกุศนที่เราไม่ควรพูดสี่ประการถ้าเราสามารถชำละอกุลนี้ได้แล้ววาจาของเราจะเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นวาจาที่มีคนมีระโยน์เวลาใครเขามีปัญหาอะไรเขาก็อยากจะมาปรึกษากับเราปรึกษาแล้วได้ยินได้ฟังแล้วก็ทำให้เขา มีประโยชน์ดับความทุกข์ใจได้มีความสุขใจได้ญาติโยมจึงนิยมที่จะมาหาพระเวลาที่มีจิตใจไม่สบายมาฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วก็จะทำให้เกิดความสบายใจอาชีพของจิตแพทย์จึงไม่ค่อยมีความก้าวหน้าในมืองไทยเท่าไหร่เพราะว่ามีจิตแพทย์ที่ดีกว่า ก็คือมีพระสององค์เจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่รู้จักวิธีแก้ปัญหาทางด้านจิตใจได้อย่างราบคาบเวลาไปหาพระได้พบได้คุยกับพระแล้วก็จะทําให้จิตใจเบิกบานสดชื่นเช่นการฟังเทศฟังธรรมหนึ่งในอานิสงส์ของการฟังเทศฟังธรรม ก็คือจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุข ด, ดังนั้นเวลาใดถ้าเรามีความไม่สบายใจก็ลองเปิดเทศเปิดธรรมะฟังกันถ้ามาวัดไม่ได้ก็เปิดฟังธรรมะไปฟังไปแล้วก็จะช่วยผ่อนคลายความทุกข์ความไม่สบายต่างๆได้นี่คือประโยชน์ของคำพูดที่ดี ก็คือคำพูดพูดความจริงพูดด้วยวาจาที่สุภาพพูดด้วยความรู้พูดด้วยความประสานให้เกิดความรัดความสามัคคีกันนี่คือเรื่องของอากุศลทางวาจาส่วนอากุศลทางใจก็มีอยู่สามประการด้วยกันก็คือความโลภความโกรธและความหลง อกิยสุคติทางวา่าทางใจนี้แหละที่เป็นราเณ้าหรือเป็นต้นตอของอกุศลทางกายและทางวาจจเวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธแล้วนี้จะพูดไม่ดีจะทำไม่ดีคนที่ทำบาปก็เพราะมีความโลภอยากได้คนที่พูดไม่ดีเพราะเกิดความโกรธขึ้นมา พูดคำหยาบ ก, ก็เพราะมีความโกรธแค้นกรเคืองพูดปดก็เพราะว่ามีความโลภอยากจะได้กลัวว่าถ้าพูดความจริงแล้วจะไม่ได้ก็เลยต้องพูดปดไปแต่ถ้าไม่มีความโลภไม่มีความโกรธแล้วก็จะไม่ต้องพูดหรือทำอกุศลทั้งเจประการนี้วิธีที่จะแก้ความโลภแก้ความโกรธ ก็ต้องไปแก้ที่ความหลงเพราะความหลงนี้เป็นต้นตอของความโลภของความโกรธนี่ความหลงคืออะไรก็คือไม่เห็นความจริงว่าไม่มีอะไรในโลกนี้น่าโลภน่าอยากได้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ให้ความสุขกับเราเพียงเล็กน้อย แล้วก็ให้ความทุกข์กับเรามากกว่าหลายเท่าด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ใช่ของเราไม่อยู่กับเราไปตลอดเราไม่สามารถรักษาเก็บเอาไว้หรือสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้นี่คือความจริงที่เรามองไม่เห็นกันเราไปเห็นว่าทุกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะให้ความสุขกับเราจะอยู่กับเราไปตลอด จะเป็นของเราไปตลอดเราสามารถสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้พอเราไปเจอความจริงเข้าเราถึงจะรู้ว่าสั่งไม่ได้อยากจะให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่เป็นอย่างที่เราอยากได้พอไม่เป็นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาอย่างนั้นถ้าเราสามารถสอนใจให้ฉลาดไม่ให้หลงได้ ก็จะทำให้เราไม่โลภไม่อยากได้อะไรเพราะได้มาแล้วจะต้องทุกนั่นเองเพราะว่าสิ่งที่ได้มาไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องจากลงไปจะต้องหมดไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถไปสั่งไปให้เขาอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดเวลา สักวันหนึ่งเขาก็จะต้องเปลี่ยนไปจากเราไปถ้าเรามีความโลภเราก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมาเกิดความโกรธตามมาเวลาเราเสียสิ่งที่เรารักไปเราก็จะโกรธคนที่ทำให้เราสูญเสียสิ่งที่เรารักหรือเวลาโลภอยากได้อะไรแล้วไม่ได้เพราะถูกคนอื่นเขาคอยขัดขวางเราก็จะโกรธเขาขึ้นมา แล้วเราก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีพูดทำบาปทำกรรมเพราะว่าเราไม่สามารถกำจัดความโลภความโกรธภายในใจของเราได้เพราะเราไม่สามารถแก้ความหลงของเราได้เรายังเห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีอยู่ยังอยากได้อยู่เห็นคนนั้นคนนี้ยังดีอยู่ยังอยากได้อยู่ ออยากได้แล้วถ้าไม่ได้ด้วยความด้วยการไม่ทำบาปก็จะไปทำบาปพอทำบาปแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความเสื่อมเสียต่างๆตามมาดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะทำบาปพูดบาปไม่อยากมีความโลภมีความโกรธเราต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเราเป็นของชั่วคราวสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งมันไปหมดพอร่างกายนี้ตายไปแล้วทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้กลายเป็นของคนอื่นไปหมดทรัพย์สมบัติเข้าขอังเงินทองสามีภรรยาหุ่นทีดาเราเอาไปกับเราไม่ได้เวลาตายไปนี้เราไปตัวเปล่าๆไปด้วยความทุกข์หรือไปด้วยความสุข ถ้าเราละอกุศลทั้งสิประการได้เราก็ไปด้วยความสุขถ้าเรายังละไม่ได้เราก็จะไปด้วยความทุกข์ดังนั้นถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขและไปอย่างมีความสุขอย่างพาะพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเราก็ต้องพยายามชำระอกุศลทั้ง1ิประการนี้ให้หมดไปจาก กายวาจาใจของเราให้ได้นี่คือหน้าที่ของเราไม่มีใครทําให้เราได้เราต้องทําเองด้วยการเริ่มต้นมาวัดในวันพระก็ทาในวันพระไปก่อนพอเห็นคุณเห็นประโยชน์จากการชําระอกุศนแล้วเราก็จะเกิดศรัทธาที่จะชําระมากขึ้นเราก็จะชําระ เพิ่มขึ้นจากวันหนึ่งเป็นสองวันจากสองเป็นสาและเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถชำระได้ทุกวันถ้าเราชำระได้ทุกวันไม่ช้าก็เร็วกายวาจาใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี่คือภารกิจของเราที่พระพุทธเจ้า ทรงมอบไว้ให้กับพวกเรามาทำกันในวันพานี้ก็ขอให้นำเอาไปปฏิบัติกันทำกันให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วความประโยชน์และความสุขต่างๆก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นปรมังสุขขังไปในที่สุดการแสดงก็เห็นว่าสมกวนแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้